ที่กระโดดไปลงดวงจันทร์และย้อนกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่มนุษย์โลกคนเนี้เก่งที่สุดเรื่องสมาธิถ้าหากนายคนนี้คำนวณผิดเพียงเสี้ยววินาทีจรวดยานเล็กจะเกาะยานแม่ไม่ถูกแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาสู่มนุษยาโลกถ้าเราทำความเข้าใจซึ้งอย่างนี้เราจะได้ความว่าอยากทำสมาธิทำอย่างไรเราจะได้คาตอบว่า